จากนี้ไปหลวงพ่อจะกล่าวอะไรให้ฟังสักเล็กน้อยแล้วก็นั่งกล่าวจบแล้วคงจะนั่งสมาธิจากนั้นยังค่อยแยกย้ายกันกลับหาที่พักแต่ตามไม่จริงคณะนักศึกษานาักที่จะมาบวชก็ไม่เป็นไรเราด้กลับไปกุฏิเดือนหงวันอะเดือนสามเพนห้อยหาเวลาพักผ่อนถ้าว่า เราไปทำอย่างอื่นมันก็เป็นขยักอีกละเพราะนั้นทำให้มันจบจบไปซะที่ศาลาจากนั้นค่อยหาโอกาสไปพักผ่อนตมามอัธยาศัยวันนี้เป็นวันสำคัญยิ่งวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาเพราะเป็นวันมาฆบูชาตรงกับวันที่สามมีนา2550 ปี 2,550 วันมาคะบูชามีวันเดียวเท่านี้ต่อไปก็คงเป็นวันอื่นเพราะนั้นจึงถือว่าเป็นวันสำคัญยิ่งวันหนึ่งอย่างพวกเราได้กล่าวเป็นบาลีแล้วก็แปลที่เราถือดอกไม้ทูบเทียนยืนบูชาพระรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่กล่าวจบลง วันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญชไหนคือเป็นวันสำคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่พระพุทธองค์พระพุทธเจ้าพร้อมพระสงฆ์มาประชุมกันที่วัดป่าเวลุวันกรุงราชคฤห์เวลาบ่ายพระสงฆ์พันสองาบรูปล้วนแล้วจะเป็นเอหิภิกขุคือบวชเฉพาะ พระพุทธเจ้าเป็นผู้บวชให้บวชโดาเอหิภิกขุอุปสัมปทาท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดทำเรากล่าวดีแล้วเพียงเท่านั้นท่านก็เป็นอันว่าบวชจบบวชเฉพาะพระพักพระพุทธเจ้าพอบวชเข้ามาแล้วท่านก็บำเพ็ญไม่นานท่านก็ได้เป็นพระอรหันต์แต่บางท่านก็ได้เป็นพระอรหันต์เชื้อก่อนด้วยซ้ําไปก่อนที่ท่านจะได้บวช สรุปแล้วก็คือเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่เป็นแนวหน้าที่เป็นแถวหน้าในยุคสมัยนั้นยุคสมัยเบื้องแรกทีนี้พระพุทธองค์ท่านก็จะบัญญัติวินยัยวันบัญญัติสินเพื่อปกครองพระสงฆ์ให้อยู่ในกฎระเบียบให้อยู่ในกฎวินยัยท่านก็ท่งส่งกระแส โทรจิตบอกกล่าวพระสงฆ์พันสองร้รูปก็ได้มาพร้อมกันที่วัดป่าเวดุวันการณปุตตะเ่วาทรงกระแสะจิตอันนี้เป็นคำพูดของหลวงพ่อแต่ถ้าใ น, ในพระบาลีท่ากนก็ไม่ได้พูดอย่างนั้นพระสงฆ์เหล่านั้นก็ล้วนแล้วจะเป็นพระอระหันต์ท่านก็คงจะรู้วารจิตของพระพุทธองค์เพราะนั้นจึงได้มาพร้อมกัน ถ้าท่านไม่รู้ท่านจะมาได้ยังไงอันนี้ท่านก็กคงจะรู้พระพุทธองค์ก็คงจะปรหรือว่านึกส่งโทรกิจไปถึงพระเถระเหล่านั้นพระเถระเหล่านั้นพัน0รปลูกท่านก็ได้มาพร้อมกันตอนบ่ายที่วัดป่าเวลุวันจากนั้นพระพุทธองค์ก็ได้บรรยัตวิไนคือศีลของพระจากนั้นก็ ให้โอวาทปฏิโมกเมื่อจบการาบัญญัติสินสวดปฏิโมก ok แล้วโอวาทปฏิโมกเนี่ยเป็นคำพูดที่สำคัญเป็นอมะตะวาจาเป็นวาจาอันไม่ตายอย่างที่พระพุทธเจ้าก่อนปรินิพานที่พระพุทธองค์สั่งเสียพวกเราท่านทั้งหลายว่าขคยะวยะธรรมมาสร้างฆาราอปมาเดนะสัมปาเดธาตินะั่นน่ะ อันนั้นคือขอเราขอเตือนท่านทั้งหลายสังคานทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงขอให้ท่านทั้งหลายยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดอันนี้ก็คือวาจาของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะปรินิพานในวันเดือนหกเพนที่เมืองกุศินาราในคืนวันนั้นจากนั้นพระองค์ก็ไม่ตรัสอะไรอีกถ้าเรานํามาพิจารณาดูแล้วพระพุทธองค์ตัดคํานั้นออกมา ออกมาพิจารณาดูเวลาไหนกับเป็นอมตะ ว, วาจาเป็นวาจาอันไม่ตายเพราะว่าท่านไม่ให้ประมาทอย่างประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทอันนีค้คือการอยู่ร่วมกันถ้าหากว่าพวกเราประโยชน์ตนเหลิงเจิงซะขาดตกบกพร่องแล้วไปเอาแต่ประโยชน์คนอื่นก็ไม่ถูกต้องเอาแต่ประโยชน์คนอื่นประโยชน์ตนขาดตกบกพร่องก็ไม่ถูกต้อง เพราะนั้นให้พร้อมทั้งสองอย่างทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านอย่าให้ขาดตกบกพ่องเรามาพิจารณาดูแล้วเป็นคำพูดที่เป็นธรรมเป็นอมะตะวาจาอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแต่นี่เมื่อพระพุทธองค์สวดท้ายพระปฏิโมกให้โอวาดแกพพ่พระสงฆ์ท่านเขาว่าสัปปปาปัสสะาการณ่ังการไม่ทำบาปทั้งหลายทั้งปวงหนึ่งกุสารัสูปสัมปดา การยังกุศลให้ถึงพร้อมหนึ่งสะจิตะปริโยรปานัง <Yes. S 1> การทำจิตให้ผ่องแผ้วหนึ่งเอตังพุทธานะสาสนังนี่คือทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ว่าสัปปปาปะสะอาัการณังโอวาทปฏิโมกหรือว่าปชิมโอวาตถ้าว่าไปแล้ววาทะทั้งสองสมัยนี้เป็น โอวาทที่ไม่ตายเป็นโอวาทที่คงเส้นคงวาพิจารณาดูเมื่อไหร่ก็เป็นพระธรรมคําสั่งสอนที่ว่าเป็นอมตะวาจาเป็นวาจาอันไม่ตายส่งคุณค่าในตัวเสร็จเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายวันนี้ได้มาคบรอบวันมาฆบูชาถือว่าเป็นวันสําคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาที่พระสงฆ์พร้อมพระพุทธองค์ได้วางกฎเกณฑ์ปกครองคณะสงฆ์ เมื่อ 2,500 กว่าปีจนมาถึงวันนี้ศินและวินัยของพระสงฆ์ก็ยังคงเส้นคงวาอย่างเดิมเพราะฉะนั้นวันนี้ได้พวกเราได้มาบําเพ็ญกุศล เ, เบื้องต้นตั้งแต่เมื่อเช้าพวกเราก็ได้บําเพ็ญกุศลตอนบ่า ย, พ ว, าา พ, ยพวกเราก็ได้ทำพระทักษิณรอบพระเจดีย์ตอนเย็นพวกเราก็ได้ทำพระทักษิณรอบพระพุทธปฏิมา จากนั้นก็ได้ทำวัดเย็นจบลงสักครู่นี้จากนั้นพวกเราก็ได้ฟังสัมโมในยกถาอย่างที่หลวงพ่อกำลังกล่าวอยู่ขณะ น, นี้เพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านที่เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนานับว่าเป็นผู้มีบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ ถ, ถ้าว่าพวกเราเกิดมาแล้วเราไม่สมบูรณ์หรือทุกพลภาพหูหนวกตาบอดบ้าใบาเสียจิต ถึงเราจะเกิดมาก็ไม่เกิดประโยชน์สำหรับเราแต่บัดนี้พวกเราท่านทั้งหลายได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วพร้อมหมดทุกอย่างทางกายท้งวาจาท้งใจทั้งสุขภาพร่างกายทั้งสติปัญญาแปลว่าเป็นผู้มีบุญมาเกิดได้ทำคุณงามความดีไว้ดีแล้วจึงได้มาเกิดพอมาเกิดแล้วก็ได้พบพระพุทธศาสนานับว่าเป็นผู้โชคดี พวกเราทั้งหลายนับว่าเป็นผู้โชคดีได้เกิดมาสมบูรณ์แล้วก็ได้พบพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอย่าให้โอกาสอันโชคดีนี้ผ่านไปโดยที่ไม่ได้ทําคุณงามความดีอะไรเลยมันจะเปล่าประโยชน์น่าเสียดายที่พวกเราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วไม่ได้ประกอบคุณงามความดีอะไรเลยเพราะฉนั้นอย่าให้ได้พลาดโอกาสให้ ข่มพากันตั้ง อ, อกตั้งใจใขว่ควรไตรตรองเหตุและผลที่พวกเราได้ศึกษาจากพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนพระธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นสวากขาตธรรมพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วชอบทุกสิ่งทุกอย่างในเมื่อเราพิจารณ า, นานด้วยเหตุด้วยผลก็พร้อมหมดทุกสิ่งทุกอย่างอย่างทานะท่านสอนครวัตทานะคือทาน ทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ทานอย่างนี้ก็มีเหตุผลพร้อมอยู่ในนั้นถ้าคนไม่มีการเสียสละไม่มีการให้ทานไม่มีการให้อาภัยทานไม่มีแบ่งปันทรัพย์สมบัติปัจจัยสีให้แก่ใครเลยแล้วใครคนอื่นเขาจะมาเกี่ยวข้องกับเราได้ยังไงหมูหมากาไกา่สัตว์ทั้งหลายสัตว์เลี้ยงทั้งหลายก็ไม่สามารถที่จะอยู่กับเราได้ไม่ว่ามนุษย์ แต่ท้าว่าเรามีน้ำใจเรามีทานะคือการเสียสละคนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายก่อนได้มาพึ่งพาอาศัยพวกเราอันนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนพุทธบริษัทของพระองค์ท่านจึงให้มีทานะคือการเสียสละในการให้ถ้าว่าคนไม่มีการให้ทานจะอยู่แบบรวดเดี่ยวเดียวดายจะทาอะไรก็ไม่มีใครเหลียวดูแลเพราะเหตุไรเพราะว่าใจของเขาคับแคบ เพราะฉนั้นฐานะพระพุทธเจ้าจึงสอนในการให้ทานศีระคือรักษาศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยเมื่อการอยู่ร่วมกันก็ต้องให้รักษากายวาจากายก็คืออะไรคือร่างกายคือการกระทําวาจาคือคําพูดออกไปอย่าไปพูดกระแทกแดกดันอย่าไปพูดสิ่งที่มันไม่ถูกต้องอย่าไปพูดโกหกพกลมอย่าไปพูดยุแย่ ทำให้ทะเลาะวิวาทกันคำพูดเป็นลมก็จริงแต่เป็นพิษเป็นภัยเป็นอันต ร, รายอย่างมากถ้าว่าพวกเราไม่รักษาอันนี้ว่ารักษาศีลคือรักษากายวาจาคือกายก็คือการกระทำการกระทำของเราฆ่าสัตว์หรือว่าเบียดเบียนเขาตีเขาอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ ค, คือการกระทำทางกายทั้งสองอย่างกายกับวาจาคือรักษา ศีลคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลฐานะก็คือการเป็นอยู่คุ้มครองในการเป็นอยู่ศีระคือคือรักษากายวาจาไม่ให้มีโทษจากนั้นท่านก็สอนถึงภาวนาทำจิตให้เป็นสมาธิศีล ส, สมาธิปัญญาสมาธิคือทำตั้งใจมั่นปัญญากับพิจารณาแยกแยะให้รู้ตามความเป็นจริง ของสังขารเป็นมาอย่างไรอันนี้พระพุทธเจ้าท่านแนะนําสั่งสอนพุทธบริษัทของพระองค์พุทธบริษัทสของพระพุทธเจ้าให้รู้จักสร้างคุณงามความดีให้รู้จักการอยู่ร่วมกันด้วยความสงบร่อบเย็นเป็นสุขอย่างศีลที่พระพุทธเจ้าบัญญัติในวันนี้นี่ศีลของพระสงฆ์ที่เป็นแนวหน้าที่เป็นผู้นําของชุมชนสังคมในยุคสมัยนั้น ถ้าเป็นพระสงฆ์ธรรมดาแล้วว่าสมมุติสิงห์ถ้าว่าพระสงฆ์องค์ใดที่ท่านได้ปฏิบัติภาวนาชำระใจของท่านได้เป็นพระสโสดาสกทาคาอนาคาอรหันต์แปล ว, ว่าอริยสงฆ์นับตั้งแต่พระสโสดาบันขึ้นไปแล้วว่าอริยสงฆ์ถ้าต่ำกว่าพระสโสดาบันลงมาแล้วว่าสมมุติสงห์พระสงฆ์ทั้งสองอย่างทั้งสมมุติสงห์ทั้งอริยสงฆ์ ได้นําพระธรรมค uh, CA, ําส pues ั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่ให้พวกเราได้ศึกษาเพราะฉะนั้นจึงถือว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระธรรมคือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ก็คือผู้นําพระธรรมมาเผยแผ่ให้พวกเราได้ศึกษาให้พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติจึงถือว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้มีบุญคุณสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายถ้าว่าพระสงฆ์ไม่นําพระธรรมมาเผยแผ่พวกเราจะรู้พระธรรมได้อย่างไร ไอ้พรายนั้นทั้งสมอย่างคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้มีบุญคุณสําหรับพวกเราพลอยนั้นเราจึงยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งตลอดไปอันนี้ก็คือยึดให้ใจมีเครื่องยึดเหนี่ยวยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถ้าว่าท่านผู้ใดก็ตามยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีแต่ไปทางดีเท่านั้นเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ทําความชั่วเสียหายให้แก่โลก อะไรมีพระคุณอย่างเดียวพระคุณล้วนๆพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นพระคุณล้วนๆพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าอริยะสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าท่านมาเผยแผ่ก็มีคุณค่าสำหรับพวกเราอย่างมากเพราะนั้นพวกเราจึงยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งพุทธทางธรรมังสังขงังสารานางคัตฉามิ ยิพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งแต่สําหรับพวกเราท่านทั้งหลายเรื่องทานเรื่องศีลก็อย่างที่ได้กล่าวมาแต่เรื่องภาวนา เ, นเป็นเรื่องที่พวกเราน่าศึกษาอย่างมากเพราะภาวนา เ, นเป็นเรื่องอย่างลึกทางด้านจิตใจเป็นการเอาหลักเหตุผลมาหักเหทางด้านจิตใจแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้ศึกษา ไม่ได้ทําธรรมะมาสั่งสอนทางจิตใจแล้วจิตใจของเราหนักไปทางกิเลสราคะโทสะโมหะเป็นเครื่องสังสมอกุศลเข้ามาสู่จิตใจพวกเราได้ง่ายๆ เ, เมื่อจิตของเราพอกผูนด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะเพราะนั้นพระพุทธเจ้ า, ยยาท่านจึงให้นําหลักพระธรรมทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดเข้ามาสู่จิตใจของพวกเราส่วนหยาบนั่นก็คืออะไร ท่านให้ดูเรื่องสินศินนี่คือชําระส่วนหยาบการกระทําส่วนหยาบค่าจัดลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมอย่างศินห้าเนี่ยแปลว่าชําระใจส่วนหยาบชําระวาจากายวาจาส่วนหยาบแต่ว่าก็ออกมาจากใจทั้งนั้นแหะถ้าคนตายไปแล้วจะกระดูกกระดิกได้ยังไงจะไปทําความดีความชั่วได้อย่างไรสรุปแล้วก็คือใจนั่นแหละให้รู้จัก การกระทําของตนเองจะทําดีหรือจะทำชั่วอย่างไรออกมาจากใจทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องธรรมตัวนี้ธรรมะปฏิบัติหรือ ว, ว่าสมาธิธรรมจะดูเข้าไปสู่จิตใจเพราะฉะนั้นทางว่าพวกเราไม่ได้ฝึกจิตไม่ได้ดูใจของตนเองใจคิดแต่ละวันแต่ละเวลาแต่ละนาทีเราจับไม่ได้ทั้งนั้นไม่รู้คิดเรื่องอะไรแต่ละวันแต่ทางว่าเรามีสมาธิ เราจะรู้ได้ว่าเรานึกคิดเรื่องอะไรมีเหตุผลไหมดีไหมควรจะคิดไหมสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆ ท, ท่านจะต้องฝึกภาวานาจิตตะจิตตะภาวานาเรื่องสมาธิเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพุทธบริษัทแต่ว่าพวกเราทำสมาธิหลือฝึกหัดสมาธิใจของเราเข้าสู่ความสงบแล้วใจของเรา รู้รสของพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนั่นแหละใจของเราจะฝังลากลึกในพระพุทธศาสนาเชื่อพระพุทธเจา้าเชื่อพ่อแม่กูบาอาจารย์เชื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แต่ทางว่าพวกเราแบบนับถือแบบผิวเผินอย่างนี้ไม่แน่ถ้าว่ามีคนที่มีวาทะเหนือกว่าคําพูดที่แหลมคมกว่า เราไม่ทันเขาเพอเพอเราเขาอาจจะชักจูงเราออกไปนอกลกูนอกทางได้ไง่ายๆ่ายเพอเพอจะตำหนิด่าพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ที่เรารับถือมาตันนมนานก็ได้แต่ถ้าว่าเราได้ปฏิบัติทําจิตตัวเองให้สงบทําจิตให้เป็นหนึ่งออทําจิตได้รับความสงบร่มเย็นแล้วถึงยังไงก็ถอนไม่ขึ้นเราจะประมาทพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะเราเชื่อ เชื่อในการกระทำที่พวกเราได้พบได้เจอหลักธรรมอยู่ในจิตในใจของพวกเราแล้วไม่ใช่เชื่อด้วยการฟังไม่ใช่เชื่อด้วยการทางเห็นแต่เราเชื่อในใจของเราที่ได้สัมผัสจิตที่สงบนั้นเป็นอย่างไรอย่างนี้เป็นตน้นในเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งเราไม่เคยพบเคยเจอเคยเห็นเราจะมั่นใจแล้วเออพระพุทธเจ้าที่ท่าน สอนว่าสมาธิจิตสงบนี้มันสงบอย่างนี้เองหนอจากนั้นมาเราจะถอนอยังไงเมื่อกลถอนไม่ขึ้นเพราะเหตุอะไรเพราะเราเชื่อเชื่อพระพุทธเจ้าที่ท่านให้ทําจิตให้สงบนั้นเป็นอย่างไรจากนั้นเมื่อจิตสงบแล้วพระพุทธองค์สอนให้พิจารณาทางด้านปัญญาด้านปัญญากับพิจารณาร่างกายเป็นส่วนใหญ่พิจารณาร่างกายการพิจารณาเห็นร่างกายอย่างแพทย์หมอเห็นร่างกายนึ่ กับพระพุทธเจ้าที่ท่านให้เห็นนั้นถ้าจะว่าไปและแปลกแตกต่างกันไปคนละมุมมองไปคนละด้านคือแพทย์หมอที่แนะนาที่สอนกันบอกกันว่าร่างกายของเราตามีหน้าที่อะไรดูอะไรความเห็นของตานั้นเป็นอย่างไรหูเป็นยังไงการได้ยินของหูเป็นยังไงศึกษาคือแพทย์ศึกษา เรื่องหูเรื่องตาเรื่องจมูกเรื่องลิ้นเรื่องกายว่าทำหน้าที่อะไรทำไมจึงทำหน้าที่อย่างนี้ตลอดถึงหัวใจหัวใจทำงานอย่างนี้สูบฉีดเลือดอย่างนี้ตับมีหน้าที่อย่างนี้ไตมีหน้าที่อย่างนี้แต่และหน้าที่ของเอ่ออวัยวะทุกส่วนของร่างกายผิวหนังทำหน้าที่อย่างนี้อันนี้คือหน้าที่ของแพทย์ ที่ได้ศึกษาคือรู้อากัปกริยาหรือว่ารู้อาการการกระทําเรื่องของการเป็นอยู่เหมือนกับฟันเฟืองตัวนี้มันทํางานอะไรสายพานตัวนี้มันทํางานอะไรโมเลตตัวนี้มันทํางานอะไรอย่างเนี้ยเหมือนกับดูร่างกายแต่ในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านดูอีกแบบหนึ่งดูให้เบื่อหน่ายคลายตาไปเห็นรูปเห็นแต่สักว่าเหตุ ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราหูไปได้ยินหูได้ยินเสียงเสียงนั้นเป็นเสียงอะไรไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราจะมายึดถือว่าเสียงเป็นของเราได้ยังไงไม่ไม่ได้จนถึงร่างกายทุกส่วนของร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเราอันนี้ท่านทําไมถึงปฏิเสธอย่างนั้นแพทย์หมอนี่คือทั้นให้ดูร่างกายเฉยๆวิชาการแพทย์แต่วิชาในทางพุทธศาสนานี่ ใครเป็นคนดูร่างกายอันนี้ในท่านบอกว่าในร่างกายของเราเนี่ยมีอยู่สองแต่นักศึกษาหรือแพทย์ท่านไม่ได้ดูว่าในร่างกายเนี่มีอะไรบ้างมีแต่ว่าร่างกายและก็มีสมองความรู้สึกอันนั้นคือสมองแต่ในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านค้นคว้าออกมาแล้วท่านบอกว่ า, วาใจในร่างกายของเราทุกคนเนี่ยมีอยู่สองอย่างคือกายกับใจ ใจนั้นคือนมามธรรมมองไม่เห็นจะเอาเครื่องมือเครื่องไม้ทุกวันนี้เขาจะพิสูจน์ยังไงเขาก็มองไม่เห็นนะว่าใจตรงนั้นคิดเรื่องอะไรแต่ละคนคิดเรื่องอะไรจนกว่าแสดงออกมาทางวาจาจึงจะรู้ได้ว่าเขาคิดเขาพูดเรื่องอะไรจึงเข้าใจแต่ถ้าว่าอยู่ในใจมีความคิดขึ้นมาแล้วเขาไม่สามารถที่จะทานายทายทักได้ว่าเขาคิดเรื่องอะไรนี่แหละ คือใจตัวนี้เป็นที่สนใจของพระพุทธศาสนาเป็นที่สนใจของพระพุทธเจ้าในยุคสมัยนั้นจนยุคสมัยนี้ก็เถอะที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระธุดงพระป่าทั้งหลายที่ท่านบำเพ็ญจิตตภาวนาเนี่ยท่านดูเรื่องใจเท่านั้นท่านว่าใจตัวนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งที่อาศัยกับร่างกายของพวกเราท่านทั้งหลายอยู่ในขณะนี้มีกายกับใจใจคือนามธรรม มองไม่เห็นแต่ร่างกายอย่างพวกเราท่านทั้งหลายมองเห็นถึงจะอยู่ในอวัยวะส่วนในก็มีเครื่องไม้เครื่องมือเข้าไปส่องเข้าไปดูแล้วก็ดูวิธีการทํางานของอวัยวะส่วนนั้นๆตับทํางานยังไงไตทํางานยังไงหัวใจทํางานยังไงที่ประจอทุกตัวในร่างกายทํางานอย่างไรแต่ละตัวมีความหมายยังไงสูบซีดเลือดไปยังไงไปเลี้ยงร่างกายตลอดถึง มันสีดขึ้นไปบนศีรษะและเป็นยังไงอันนี้ก็คือดูศึกษาในอวัยวะทุกส่วนของร่างกายการทํางานของร่างกายแต่หลักของพุทธศาสนาท่านให้ดูร่างกายก็จริงอยู่แต่ดูให้เบื่อหน่ายคลายไม่เหยึดมั่นถือมั่นผลที่สุดท่านสรุปลว่าร่างกายทุกส่วนจั้งแต่หัวจนเท้าท่านว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทําไมจึงว่าไม่ใช่ของเราอย่าแก่นะ มันก็แก่อยาเจ็บนะมันก็เจ็บยาตายนะมันก็ตายในเมื่อมันบอกไม่ได้ใช้ไม่ฟังอย่างนี้เราจะไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราได้ยังไงเพราะนั้นใจเออต้องให้ดูใจดูเข้ามาหาตัวเองนะย้อนเข้ามาหาตัวเองนะอย่าไปหลงเขานะร่างกายนีย่อีกสักวันหนึ่งแตกสลายแน่นอนนะไม่เป็นอย่างอื่นนะตายนะเอออย่างเนี้ยคือให้ใจรู้ใจใจไม่หลงใจ ใจให้รู้เท่าทันร่างกายและก็ให้รู้เท่าทันความนึกคิดของตนเองด้วยนี่แหละในหลักของพุทธศาสนาสรุปแล้วคือสอนเข้ามาสู่สตัวตัวผู้รู้ตัวใจนี่แหละใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าจุดนี้แหละตัวนี้แหละที่จะพาไปเกิดในภพภูมิต่างๆไปปฏิสนธิในภพภูมิต่างๆคือใจดวงนี้ใจตรงนี้ไม่ตายใจตรงนี้เป็นนักท่องเที่ยวใจตรงนี้เป็นนักวัตถวณอยู่ในวัตตะไม่มีที่สิ้นสุด ถ้าหาว่าใจยังไม่ได้ชำระใจยังไม่เข้าใจตัวเองใจยังไม่รู้เรื่องของใจใจยังรุ่มหลงอยู่จะต้องวกวนเวียนเวียน่ห ว, วาตายเกิดหยุดที่ยับยั้งไม่ได้เพราะนั้นพวกเราที่จะเข้ามาบวชในพุทธศาสนาหรือเข้ามาศึกษาในวัดวาศาสนาก็ให้ดูเรื่องใจเป็นพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกเราตั้งแต่องค์หลวงปู่มั่น ตลอดถึงมาสุดท้ายปลายแดนก็มาศึกษาเรื่องนี้เรื่องใจของพวกเราท่านทั้งหลายใจตัวนี้เนะ่ยควรศึกษาอย่างยิ่งถ้าว่ามันจะโง่หรือมันจะฉลาดมันจะลุ่มหลงงัวเมาอย่างไงก็คือใจนี่แหละเพราะฉะนั้นให้ดูดูที่ใจดูที่ใจปล่อยวางที่ใจตุดพ้นขึ้นมาที่ใจถ้าว่าใจของเราลุ่มหลงเสียอย่างเดียวเท่านั้นนะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างก็ ไม่เกิดประโยชน์สำหรับเราทั้งนั้นใจมันหลงใจยังมีกิเลสราคาโทสะโมหะอยู่เพราะนั้นพระพุทธองค์จึงให้ชำละใจดูที่ใจปล่อยวางที่ใจดูพ้นที่ใจใจของเราเนี่แหละให้ช่วยๆกันหรือว่าให้ให้ให้ดูว่ะนะเอะให้ดูใจของตนเองคือหลักของพระพุทธะนะถ้าดูใจของเราแล้วปล่อยวางที่ใจแล้ว เพราะมันเห็นกายเมื่อเห็นกายแล้วกายมันแตกสลายแล้วเรีอกว่าเห็นคนอื่นที่เป็นตัวอย่างที่ตายให้เราเห็นเข้าไปสู่เมนเผาแล้วเห็นกระดูกแล้วเป็นกระดูกแล้วเนี่ยเราจะเป็นอย่างนั้นไหมมันก็เป็นอย่างเขาไม่แพ้กันในเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วใจของเราไปยึดมั่นถือมั่นไปให้ความสําคัญในร่างกายของตนเองไปอย่างไรถ้าเราพิจารณาหลายครั้งต่อหลายหน พบทวนดูให้ดีนะอีกสักครั้งหนึ่งมันก็จะเข้าใจเมื่อเมื่อมันเข้าใจมันก็ปล่อยมันก็ปล่อยวางปล่อยวางเท่านั้น น, ะนี่แหละจิตใจก็หลุดพ้นไม่ยึดมั่นถือมั่นอันนี้คือเป็นพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่ท่านให้พวกเราท่านทั้งหลายพิจารณาพิจารณากา ย, ยตั้งแต่เริ่มมาตั้งแต่ทานศีลแล้วก็ภาวนาพิจารณานี่ยนะสรุปแล้วคือธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่อยู่ที่ไหน เข้ามาสู่ใจเท่านั้นถ้าพิจารณาส่วนอื่นแล้วยังไม่ถึงใจยังไม่ถึงตัวผู้รู้ยังไม่เข้ามาจุดนี้แล้วแปลว่าภาวนายังไม่ถึงผิดที่มัางงั้นไงเก่าไม่ถูกที่ขันมั้งั้นแต่ถ้าว่าเราพิจารณาเข้ามาจุดนี้แล้วนั่นแหะเก่าถูกที่ขันมันอยู่จุดนี้จริงๆทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเอเนจังทุกขังอนัตตาไม่ควรยึดมั่นถือมั่น ในใจของพวกเราเพราะฉะนั้นการชำระใจในมีที่สิ้นสุดสรุปแล้วเพราพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดสู้ ร, รมเมื่อ 2,000 กว่าปีท่านก็ดูที่นี่นะดูที่ใจของพระองค์ท่านชำระใจพระองค์ท่านใจของพระองค์ท่านงโง่ด้วยกิเลสราคะโทสะเป็นเครื่องปกครองจากนั้นพระองค์ก็ชำระใจของพระองค์รู้แจ้งเห็นจริงเหมือนตะกอนเราอ่านหนังสือไม่ออกอย่างเนี้ย อ่านหนังสือไม่ออกคิดเลขไม่ได้อย่างนี้จากนั้นก็ครูสอนให้ครูก็คือได้รับการสั่งสอนถ่ายทอดมาเรื่อยๆแล้วก็คนแรกนั่นน่ะที่คิดหนังสือขึ้นมานะ่ะคิดหนังสือคิดเลขขึ้นมานะที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเนะี่ยเขาคิดยังไงตัวนั้นละ่ะเหมือนกับพระพุทธเจ้าที่ท่านคิดหลักพระธรรมคําสั่งสอนนะที่เอามาเผยแผ่คนที่นํามาเผยแผ่นั้น ยังเป็นสาวะกะแปลว่าผู้สดับมาอีกทีนึ่งนำมาเผยแผ่มาสอนพวกเราแต่ผู้ที่ต้นคิดเนี่ยคือพระพุทธเจ้าสยามภูดท่านรู้คิดขึ้นมาแล้วก็พิจารณาแล้วทำยังไงชำระใจยังไงจึงจะเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นเหมือนกับผู้ที่คิดประดิษฐ์ตัวเลขตัวหนังสือขึ้นมาคนแรกนั่นะ จากนั้นคนที่สองเมื่อได้ศึกษาจากคนนั้นมาแล้วก็นํามาเผยแผ่แล้วก็เกิดประโยชน์พวกเราก็อ่านออกเขียนได้ถือว่ามีคุณค่าขึ้นมาตามลําดับอันนี้ก็เหมือนกันที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดสู้รมจากนั้นท่านก็ประกาศเขียนแผนที่แล้วก็แนะแนวให้ภาษาวกอย่างพวกเราท่านทั้งหลายประพฤติปฏิบัติพิจารณาอย่างนั้นอย่างนั้นนะถอดถอนอย่างนี้นะพิจารณาอย่างนี้นะให้ดูใจอย่างนี้นะ ให้เบื่อหน่ายอย่างนี้นะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นนะสิ่งเราทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนของเรานะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะอนัตตานะไม่ใช่ตัวตนของเรานะเอออันนี้ก็คือที่พระพุทธเจ้าแนะนำภาษาบก ข, ของพระองค์ท่านนะวันนี้หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเบื้องต้นถึงกิจกรรมที่พวกเราได้ทำในวันนี้มีอะไรบ้างเพราะว่าวันนี้เป็นวันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาจากนั้นหลวงพ่อได้กล่าวถึงวันมาฆะพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเวลุวันกรันดับปุตตะที่กรุงราชคฤห์และก็ตอนบ่ายพระสงฆ์5 0รบูปมาร่วมกันมารวมกันพระพุทธองค์ได้บัญญัติวินัยและก็สวดท้ายให้โอวาทปฏิโมก ในโอวาทปฏิโมกนั้นคืออะไรสับประปาปัสชะอาการังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสูปรสัมปดาการยังกุศลให้ถึงพร้อมสจิตะประิโยรัปานังการทำจิตให้ผ่องใสผ่องแผ้วเอตังพุทธานะสาสนังนี่คือทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปุกหลงพ่อเปียบเทียบปัจฉิบโอวาทว่าท่านท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตน ทายะวยธรรมมาสร้างฆาราอั ป, ปมาเดนะซ้ำปาเดทาติสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงขอให้ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านอันนี้ทั้งสองสั์นี้เป็นถ้าจะเปรียบเทียบแล้วเป็นอมตะวาจาเป็นวาจาอันไม่ตายพวกเราคิดให้ดูกันแล้วกันอันนี้ก็คือที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสั่งสอนส่งเสียสั่งเสียพวกเราท่านทั้งหลาย จากนั้นก็ได้พูดเรื่องการเป็นอยู่เรื่องศีลสมาธิปัญญามีคุณค่าอย่างไรทานมีคุณค่าอย่างไงศีระคือศีลมีคุณค่าอย่างไรจิตตภนาให้พิจารณาให้เบื่อหน่ายคลายปล่อยวางอย่างไรสรุปแล้วก็คือให้ดูกายกับใจสองอย่างนี่นะกายกับใจอาศัยกันอยู่ในร่างกายของพวกเราเดี๋ยวนี้ใจของเราหลงร่างกาย พอหลงร่างกายตัวเองว่าเป็นของยั่งยืนมั่นคงสวยงามจากนั้นก็หลงคนอื่นหลงคนอื่นพอหลงคนอื่นก็หลงลูกหลงสามีพัญญาหลงทรัพย์สมบัติหลงยศโยธาบรรดาศักดิ์หลงว่าตัวเองมียศชื่อเสียงความรู้ความฉลาดความสามารถผลที่สุดก็เลยหลงไปพอหลงหลงร่างกาย แต่ตามไมจริงถ้าไม่หลงร่างกายร่างกายนี่ไม่ใช่ตัวตนของเรานะอีกสักวันหนึ่งเขาเผาไฟทิ้งนะยังเหลือแต่กระดูกนะเราอย่าประมาทนะสิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีเราได้ทําสิ่งนั้นให้มากนะอย่ายึดร่างกายว่าเป็นของเรานะอีกสักวันหนึ่งนะไม่ถึงร้อยปีนะเผาแน่ๆนะยังเหลือแต่กระดูกนะท่าเราคิดอยู่อย่างนี้มรณงเมภาวิสตนะิเระลึกถึงความตายไปอยู่เสมอ หวนกลับมาดูใจของเราใจของเราจะไม่ลุ่มหลง ม, ม, มัวเมาใจของเราก็จะเกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมัน่นถือมัน่นอริยะบุคคลไม่ไกลทางว่าพวกเราคิดอย่างนั้นอยู่ตลอดไปลำเวลาอริยะเนี่ยคือตั้งแต่พระโสดาสัจธาคาอนาคารหันอยู่ใกล้เราทีเดียวถ้าเราน้อมนึกอยู่อย่างนั้นเห็นไตรลักษณ์อยู่อย่างนั้นเห็นโลกท้งโลกตามความเป็นจริง ไม่ใช่เราดูถูกเหยียดหยามโลกนะไม่ใช่เห็นโลกตามความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นอันนี้จังทุกขังอนัตตาตายจริงๆงไม่เป็นอย่างอื่นจริงแน่ไหมยอมรับไหมถึงตัวเองจะยอมรับไม่ยอมรับมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นเพราะนั้นให้รู้ตามความเป็นจริงธรรมะของพระพุทธเจ้าให้รู้ตามความเป็นจริงนะวันนี้หลวงพ่อได้กระตุ้นเตือนให้พวกเราท่านทั้งหลายให้พิจารณาธรรมพิจารณาโลกให้รู้เห็นตามความเป็นจริงนะ จากนั้นพวกเราจะได้เมื่อรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วเราก็จะไม่ยึดมัน่นถือมัน่นเกิดความเบื่อหน่ายคลายหลุดพ้นความหลุดพ้นเป็นอริยะบุคคลก็คอยพวกเราอยู่ถ้าพวกเราทําใจอย่างนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าพระพุทธ อ, องค์ท่านยืนยันรับรองมาแล้วเป็นสวากขาตธรรมตัดไว้ชอบแล้วเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมในวันนี้ก็ให้ตั้อกตั้งใจบําเพ็ญกุศล ฐานศีลภาวนาตั้งตนไว้ให้ชอบนะตายแล้วเกิดอีกแน่นอนไม่ต้องสงสัยสิ่งที่ให้เกิดก็คืออย่างที่หลวงพ่อพูดนั่ะ น, นามธรรมาตัว น, นั้นอ่ะจะาพาเวียนไหวตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดนะเวันนี้หลวงพ่อได้พูดจบเพียงเท่านี้ตอนนี้ไปนั่งสมาธิจะชั่วขณะหนึ่งนะจากนั้นก็ค่อยแยกย้ายกันหาที่พักพอพวกเรานอนมาจนพอแรงแล้วละ่ะ <c oughs> นอนจนหลังแบนว่างัน้นเถอ <c oughs> เอาล่ะ นอนในวัฏฏะสงสารไม่รวก้กี่พบกี่ชาติวันนี้นั่งภาวนาด้ยซิวันนี้นะแต่ตามไม่จริงวันนี้เป็นวันสําคัญพวกพระของเราก็นั่งภาวนาตลอดทั้งคืนเดินโงกมทั้งคืนดูซิเป็นยงไงบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราพักผ่อนนอนจนพอแรงแล้วแปลว่าให้ภาวนาอย่างต่อเนื่องดูซิวันนี้เป็นยังไงน่าจะเป็นอย่างนั้นนะ มีฮึดสู้บังท้อยบังสู้บางท้อยบังมีแต่แพ้แพ้ลูกเดียวกินแลนอนก่อนแลนินอย่างเดียวมันก็นได้เพียงแค่นั้นนะแต่เรายังสู้อยู่แสดงว่าเราจะต้องเอาชนะให้ได้ไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่งนะต่อเนี้ไปนั่งสมาธินะทีนี้ก่อนที่นั่งสมาธิบางท่านยังไม่เคยนั่งสมาธิพออกัตสมาด ข, ขาขวาทับขาซ้ายแล้วนะประนมมือขึ้นแล้ววางอก เมื่อปรโนมือขึ้นระหว่าง อ, อกแล้วนึกพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธธรมโมสังโฆสมจบจากนั้นก็เอามือลงนะมาโเอามือลงแลก็บริกรรมพุทธโธพุทธโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธพุทธโธพุทธโธนะเพราะว่าได้เวลาแล้วหลวงพ่อจะให้สัญญาณแล้วก็ค่อยเลิอกออกจากนั่งสมาธิ